เสียงอ่านพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่สีพระวินัยปิฎกเล่มที่สีมหาวักภาคหนึ่งหน้าที่4ี่บทับส0 4สข้อที่สี่สิเ็เรื่องปฏิหารที่สครั้งนั้นท้าวสกะจอมถทวเทพเมื่อราตรีปฐมยามล่วงไปแล้วเปล่งรสมีงามอย่างไพสานทั้งสิ้นให้สว่างไสวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นถึงแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ได้ประทับยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งดุดกองไฟใหญ่งามและประนีตกว่ารัสมีแต่ก่อนต่อมาชรินอุรุเวละกสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคโดยผ่านราตรีนั้นครั้นถึงแล้วได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าถึงแล้วสมณะถึงแล้วถึงเวลาแล้วมาหาสมณะพัฒน า, าเสร็จแล้วผู้นั้นคือใครกันหนอ เมื่อราตรีปฐมยามผ่านไปแล้วเปล่งรัศมีงามอย่างไพสาลทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้ามาหาท่านครั้นถึงแล้วก็อภิวาทท่านได้ยืนอยู่นาทีควรส่วนข้างหนึง่งดุดกองไฟใหญ่งามและประณีกว่ารัศมีแต่ก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนกัสปะผู้นั้นคือเท้าส ก, กะจอมถวยเทพเข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรม ครั้งนั้นชนินอุรุเวลากัสปะได้มีความดำริว่าเอ๊ะพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับเท่าสกะจอมทวยเทพเข้ามาหาเพื่อฟังธรรมะแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสวยพัตาหารของชนินอุรุเวลกัสปะแล้วประทับอยู่ในไพยสนตบนนั้นแหลจบปฏิหาริย์ที่สาม